มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาเมนดกะปัญหาทุติยวัคขุทธานุขุทธกะปัญหาที่หนึ่งถามว่าทรงบัญญัติศิกขาบุตรไว้แล้วเหตุไร อนุญาตให้เลิกถอนศิกขาบุทเล็กน้อยเสียเล่าลำดับนั้นบรมกษัตริย์ขัตติยนรินปิ่นพิพบมิลินภูมินธราธิบดีจึงทรงสุนทรพาธีไต่ถามอัทธปัญหาอื่นสืบไปเล่าว่าพันเตนาขาเสนะข้าแต่พระน า, าเกษตรผู้เป็นเจ้าโยมนี้คิดไปคิดไปแล้วก็กางขาภาสิตังเจตังพระควตา ด้วยพระพุทธดีกาสมเด็จพระบรมโลกะนาตศาสตราจารย์โปรดประทานไว้ว่าพิกเวดูกะระภิกษุทั้งหลายพระตถาคตได้รู้จริงเห็นจริงซึ่งพระสัรธรรมแล้วธรรมังเทเสมิพระตถาคตจึงได้สํมแดงพระสัธรรมนั้นไว้โนโอาณะพิญญายะใช่ว่าพระตถาคตจะได้สํมแดงพระสัธรรมนั้นไว้โดยความที่พระตถาคต ไม่ได้รู้จร ng, ness, ิงเห็นจริงไม่ได้เมื่อสมเด็จบรมไตรยโลกาธิบดีตรัสไว้ชนี้แล้วปุณจะพระนิตังดังรือตรัสไว้ในพระวินัยอีกล่าวว่าอานันทะดูกละสำแดงอานุนสังโคอัน่าสงอากังขมาโนเมื่อมีความปรารถนาต้องการตถาคตนิพพานแล้วสมูหนาตุ จงเพิกถอนเสียซึ่งขุทานุขุทธธกะสิกขาบทพระองค์ตรัสไว้ดังนี้ขุทานุกุทธธกะสิกขาบทนี้พระองค์ทรงบัญญัติไม่ดีไม่งามหรือทรงบัญญัติเพราะไม่มีเหตุไม่มีวัตถุเป็นประการใดพระองค์เจ้าจึงรับสั่งให้พระสงฆ์พุทธสาวกเพิกถอนเสียได้ในเวลาที่พระองค์นิพพานแล้วข้าแต่พระนาคเษนผู้ปรีชา ถ้าว่าพระตถาคตเจ้าตรัสรู้ซึ่งพระสัรธรรมโดยยิ่งแล้วจึงทรงแสดงธรรมข้อซึ่งพระองค์ทรงอนุ ญ, ญาตให้เพิกถอนสิกขาบทต้องผิดเป็นมิจฉาถ้าพระองค์ทรงอนุ ญ, ญาตให้เพิกถอนขุทธานุกุทธกะสิกขาบทได้จริงที่ว่าพระองค์เจ้าตรัสรู้แล้วจึงเทศนาก็จะเป็นผิดคำทั้งสองนี้ไม่ต้องกันชนีอยังปันโหอันว่าปัญหานี้ อุพโตโกติโกเป็นสองเงื่อนแย้งกันสันโโหและเอียดสุขุโมสุขุ ม, ขขมนิปุโนโลึกล้ำยากที่จะรู้ยิ่งฟังยิ่งกังขาเหตุบกพร่องไม่บริบูรณ์มาถึงพระผู้เป็นเจ้าพระผู้เป็นเจ้าจงอนุกูลแก้ปัญหาสำแดงซึ่งกำลังปัญญาให้วิถีฐานคือแก้ปัญหานี้ให้แจ่มกระจ่างนาการบัดนี้ เทโรฝ่ายว่าพระมาหาเถระผู้ประเสริฐอันได้นามว่านาค เ, เสนจึงมีเถระวาจาว่ามหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารสมเด็จพระบรมไตรโลกก น, น้าช ส, สดาจารมีพระพุทธดีกาโปรดประทานว่าพิกเวดูกระส่งทั้งหลายพระตถาคตได้รู้จริงเห็นจริงซึ่งพระสัจธรรมแล้ว จึงได้สำแดงพระสัทธรรมนั้นไว้ใช่ว่าจะได้สำแดงพระสัทธรรมไว้โดยความที่ไม่ได้รู้จริงเห็นจริงหามิได้สมเด็จบ ร, รมมาจอมไตรมิ่งมกุฎวิสุทธิปรีชามีพระพุทธดีกาตรัสบัญญัติไว้ในพระวินัยกับพระอาหนุนว่าอานันทะดูกระสัมแดงอาห น, นุนเมื่อประสงค์มีความปรารถนาต้องการเมื่อตถาคตเข้านิพพานไปแล้ว ก็จงเพิกถอนขุทานุขุทธะสิกขาบทเสียบ้างที่พระองค์เจ้ามีพระพุทธดีกาดังนี้ก็เพราะมีพระพุทธประสงค์จะใครท่ทรงทดลองใจเหล่าภิกษุพุทธสาวกทั้งหลายในอนาคตการว่ามเมื่อตถาคตอนุญาตให้สละละวางเลิกถอนขุทานุขุทธะสิกขาบทได้เช่นนี้ครันตถาคตล่วงลับดับขันปริณิพานไปแล้ว จกชวนการสละละวางเลิกถอนเสียโดยลำดับหรือจะยับยั้งเอื้อเฟื้ออยู่ไม่เพิกถอนให้เสื่อมสูญมหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารสมเด็จพระอนาวรณญานพิชิตมานมิ่งโมลีมีพระพุทธประสงค์จะทรงทดลองใจเหล่าภิกษุพุทธสาวกทั้งหลายดังนี้จึงทรงอนุ ญ, ญาตให้เลิกถอนขุทานุกุท ธ, ธกะสิกขาบท ในเวลาที่พระองค์เสด็จดับขันปรินิพพานแล้วได้มีอุปมาดังว่าสมเด็จพระบรมจักรพัตราทียราชอันให้โอวาทแก่พระราชบุตรว่าตาตะดูกระะเจ้าผู้เป็นบุตรเจ้าจงฟังโอวาทของวิดาอายังมหาชนะปะโทชนบทอันใหญ่มีในพื้นปฐพีมีสาขล้อมรอบนี้ทุกกระโร ยากที่เจ้าจะรักษาไว้จนหมดสิน้นด้วยกำลังอันเล็กน้อยเพียงเท่านี้ได้เมื่อบิดาสวรรคตล่วงลับไปแล้วเจ้าจุงทอดทิ้งประเทศอันตั้งอยู่ปลายเขตปลายแดนเสียบ้างสมเด็จพระบรมจักรพรรดิเดราชตรัสสั่งพระโอรสไว้เชนี้ครั้นนานมาพระองค์ผู้เรืองยศก็เสด็จสวรรคตล่วงไปอยู่ภายหลัง พระโอรสาทิราชจะพึงทอดทิ้งประเทศปลายเขตปลายแดนทั้งปวงเหล่านี้ซึ่งเป็นรัชสีมาอาาเขตแห่งชนบทอันอยู่ในเงื้อมพระหัตของพระองค์ตามพระราชดำรัสสั่งของสมเด็จพระบิดาละหรือขอถวายพระพรพระเจ้ากรุงมิลินปินประชาจึงมีพระราชองค์การตรัสว่าพันเตฆ่าแต่พระผู้เป็นเจ้าผู้ประกอบด้ปรีชา พระราชะกุมารอันเป็นพระโอรสแห่งสมเด็จพระเจ้าจาั ก, กรพรรดิเดยรานั้นมีพระทัยรักไรยราชสมบัติยิ่งจะสแสวงหาชนบทเมืองขึ้นให้มากยิ่งขึ้นไปกว่าเก่าเป็นสองเท่าเสียอีกกิ่งปณะมุนเจ ย, ยังต้องการอะไรที่พระราชกุมารนั้นจะทอดทิ้งชนบทที่มีอยู่แล้วในเงื้อมพระหัตถ์เสียเล่าพระนาคเษนจึงมีเถระวาจาว่ายะถาอันนี้มีอุปมาฉั้นใด มหาราชะขอถวายพระพรบพิษผู้เป็นมหิสาธิบดีตดถาคตโตสมเด็จพระตถาคตทศพลยานเมื่อทรงลองใจภิกษุเหล่าพุทธสาวกทั้งหลายจึงมีพระพุทธดีกาตรัสไว้ว่าอานันทะดูกะระสำแดงอานนเมื่อตถาคตนิพพานแล้วพระสงค์มีความปรารถนาต้องการก็จงเพิกถอนขุทานุกุทกะสิกขาบทเสียบ้างดังนี้ ฝ่ายภิกษุพุทธชินรดทั้งหลายทุกขะปริมุติยาผู้เห็นภายในสงสารบรรพชาด้วยหวังจะกลีกเลี้งให้พ้นทุกข์กระทำนิพานให้แจ้งมีความจำานงในพระศิธรรมอันมั่นคงไม่วันไหวใคร่ต่อความปฏิบัติก็จะพึงคุ้มครองรักษาสิกขาบทให้แน่นหนาะอย่างเคร่งครัดมัธยัตเป็นทวีคูลเสอีกอะไรเล่า จะปล่อยปละละทิ้งเพิกถอนสิกขาบทที่พระองค์เจ้าทรงบัญญัติไว้แล้วให้เสื่อมสูญมีอุปมาเหมือนพระราชบุตรอันไม่ปล่อยพระราชอาณาเขตปลายแดนเสียและทรงสแสวงหาเพิ่มขึ้นอีกฉะนั้นแลขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินปินประชาจึงตรัสถามพระนาคเสนอีกว่าพันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคเสนผู้ปรีชา ยังพัควาอาหาสมเด็จพระพุทธองค์ผู้ทรงสวัสดีภาคพิชิตมานโปรดประธานคำอันใดที่ว่าให้พระสงฆ์เพิกถอนขุทธธานุกุธธะศิขาบทอายังโลโกคนที่เกิดมาในโลกนี้เป็นคนมืดมนอ น, อนทาการลหลงไหลไม่รู้จริงวิมติชาโตมีแต่จะสงสัยตะบึงไปดุดคนตามืดหาผู้จูงมิได้ ขุทานุกุท ธ, ธกะสิกขาบทนั้นได้แก่อันใดแน่นิมนต์พระผู้เป็นเจ้าวิสัชนาให้ทราบในการบัดนี้พระนาคเษนผู้เลิศด้วยศีลสมาจารจึงถวายพระผนว่ามหาราชาดุกะระบ่อพิท ร, ราชสมภารผู้หัตติยะมหาศาลเรืองพระเกียรติยศคําว่าขุทธานุกุท ธ, ธกะสิกขาบทนั้นบ่อพิจงมนาสิการกําหนดในพระไยว่า ขุทธะศิกขาบทและอนุขุทธะศิกขาบทนั้นอันว่าอาบัตทุกกฏชื่อว่าขุทธะศิกขาบทอาบัตทุพภาสิทธ์ชื่อว่าอนุขุทธะศิกขาบทรวมศิกขาบททั้งสองประเภทนี้เข้าเรียกว่าขุทานุขุทธะศิกขาบทพระมหาเถระทั้งหลายในปางก่อนก็เกิดความสงสัยในปัญหาข้อนี้ท่านจึงรวมศิกขาบททั้งสองนั้นเข้าเป็นส่วนหนึ่ง เพราะพระบรมครูของเราได้ทรงแสดงไว้โดยบรรยายขอถวายพระพรราชาสมเด็จพระเจ้ามิลินปิ่นประชาก็สรรเสริญพระน้าขาเสนว่าพันเตค่าแต่พระผู้เป็นเจ้าพระผู้เป็นเจ้าแก้ปัญหากระทํารถพระพุทธดีกาให้มั่นคงไว้ชนีจะเป็นที่ปรากฏจำเริญแก่พระชิโนรสไปในโลกช้านานนับแต่วันนี้เป็นต้นไปในการบัดนี้ ขุทานุกขุทกะปัญหาที่หนึ่งจบเพียงนี้